ที่ถาวรจิตตถาโวโรวงมาลัยอํานวยการอุปถัมภ์เรื่องผู้ คนฝังทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์เมื่อลอบขุดไปเสีย ฝังทรัพย์คือคุณธรรมเช่นทานศีลความสม่ำเสมอใจและการฝึกกายวาจาไว้ในตนผู้นั้น เมื่อละโลกนี้ไปแล้วละติดตัวไปด้วยนี้ไปแล้วบุคคลย่อมถือเอาบุญนั่น ความมีเสียงไพเราะมีสันฐานดีและรูปสวยความเป็นใหญ่และสมบัติในโลกทิพย์ ล้วนสําเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นการได้มิติความชํานาญในวิชาหรือวิมุตติปฏิสัมภิทาวิโมกษสาวกกบารมีความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธภูมิเหล่านี้ล้วนสําเร็จด้วย อันได้ นะได้ลงจากภูเขาคิชฌกูฏเห็นอัชชกละเปรตมี พระผู้มีอายุจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเวลานี้ พระเถระผู้เลิศทางฤทธิ์ได้กล่าวว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าเห็นเปรตตนหนึ่งอัฐภาพใหญ่ยาว เปรตนั้นเราเคยเห็นแล้วที่โพธิมณฑลเมื่อเราตรัสรู้ใหม่ๆทีเดียวแต่เราไม่พูดพวกเกล็ง เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดไม่เชื่อคําของ จึงต้องมาเสวยผลกรรมอันทารุณแสบร้อน 20 อุสภะวิหาร เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้มีการฉลองเป็นการ เอาเถิดเราจะจัดการกับเศรษฐีคนนี้ๆอีกมาก 7 ครั้งลอบคร 7 ครั้งเผา 7 ครั้งแม้กระนั้น อะไรเป็นสุทธิรักของเศรษฐีได้ทราบว่าอะไรๆจะเป็นที่รักยิ่งกว่าวิหารที่ กลับแสดงอาการยินดีปรบมือเป็นการใหญ่ เป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนมั่นคงไม่สาธารณะแก่คนทั้งจึงยินดียิ่งนักคนดีมี คิดเห็นเป็นโอกาสได้สร้างบุญกุศลอีกครั้งก็ ดังนี้แล้วนี้แล้วพวกกฤตซ่อนในวันที่เจ็ดเดินพระองค์ผู้เจริญไปในบริเวณ แม้พระคันธกุฎีที่ถูกเผาไปโอ้เราทํากรรมหนักเสีย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 เสด็จถีรฤทธิ์ระลึกได้ถึงเรื่องที่ตนเคยพูดณเช้าวันหนึ่งจึงขอร้องให้โจรอภัยโทษแก่ตนด้วย เสถีหนึ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเรากล่าวคําเพียงเท่า ในกาลบัดนี้เกิดเป็นอชชะคละเปรตเปรตซึ่งมี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 เขาหลงต้นหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏเช่นกันพระมหาโหมคละนะแสดง เหมือนถูกไฟไหม้อยู่ทั่วตนพระศาสดาตรัสว่าแม้เปรต ในอดีตกาลณเมืองพารานสีประชาชนชาวเมืองช่วยกันสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งเพื่อถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ ชาวเมืองเดินไปมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นชาวเมืองทั้งหลายได้ เผาบรรณศาลานั้นเมื่อพระปัจเจกคฤหัสถ์เจ้าออกไปไฟเผาบรรณศาลา บรรณศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของ เขาไปบังเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในนรกนั้นสิ้นกาล เหมือนไฟที่เผากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์ผลก็สําคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี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 เมื่อความดียังไม่ อีกคราวหนึ่งคราวหนึ่งเมื่อพระมหาโมคคัลลานะเถระและพระลักขณะลงจากภูเขากิชฌกูฏพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีค้อนเหล็กจำนวนมากกระหน่ำลงบนศีรษะ พระบรมครูทรงรับรองท่ามกลางภิกษุสงฆ์ เขานั่งประจําอยู่ที่โ欢น左ย้อ sesขายอย โจรจำในเถอะะไวใกล้ Mind Diash เด็กชาบeen ชอบมานั่งล้อมเขาและ efter teacher 때 Credit ในวันหนึ่งพระราชาแห่งกรุงพาราณสีเสด็จประพาสพระ ทรงฉงนพระไทว่านี่อะไรกันเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรใบไสยทรงมีรูปช้างเป็นต้นทรงว่านี่เป็นของใครเมื่อว่าเป็นฝีของบุรุษเปี้ยชายพิการจึงให้หาชายพิการคนนั้นมาเฝ้าเชยฝี เราพูดคําหนึ่งเขาพูดเสยื้อยาวเราไม่อาจที่จะกับเราสามารถพยากรณ์ดีแล้วเราจะ ขอเพียงกุนแพะ 1 ทนานแล้วก็ให้กั้นม่านไว้เจาะรูม่านให้ตรงหน้าทุกอย่าง ปุโรหิตเกลือนบูรแพะลงไปแล้วพูดต่อเหตุการณ์ดําเนินไปตามดองนี้จนมูนแพะหมดไป 1 ทนานชายพิการจิ่มขย่าม่านด้วยสัญญาณนี้พระ ท่านพูดมากไปแล้วตั้งแต่นั้นมาพราหมณ์ปุโรหิตก็กระดากเก้อเขิน ทรงพระราชทานปัจจัยแห่งชีวิตเป็นอันมากและ เป็นที่พึ่งแก่ผู้มีได้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลาย โอกาสเปิดอยู่เมื่อเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสําหรับบุคคลผู้รู้จริงและมีความสามารถจริง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 คณาจารย์ได้โปรดบอกศิลปะในการดีดตรวจให้แก่ข้าพเจ้าๆก็ไม่อาจให้บุรุษเปี้ยนั้น ระบีบนวดอย่างเอาใจอยู่เป็นเวลานานจนบุรุษเปี้ยเห็นใจว่าเขามีความตั้งใจจริงกลายเป็น ไม่ได้สิคุณท่านฆ่าแมคโครตัวหนึ่งท่านจะ 1,000 ท่านพร้อมทั้งหมดและปัญญาจะไม่สามารถที่ กมลกาฑิตเพราะเกรงว่าจะถูกปรับ 1,000 วันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามสุเนตตะออก หมายช่องหูเบื้องขวาของพระปัจเจกะพุทธเจ้ากอด จึงชวนกันไป ไพบูลย์บุรุษจึงติดตามไปชั่วผู้นั้นเห็นมหาชนไปยังบรรณศาลา สมแก่กรรมของตนด้วยผลแห่งกรรมที่ ความรู้หาเกิดอันความรู้ความสามารถและความเป็นใหญ่เพื่อประโยชน์ไม่เกิดขึ้นเพื่อ เพื่อเขาจะได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เขาจะได้ใช้ความ คนผู้แสวงหาสันติวรบทผู้ที่จะทํางาน ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการงานที่ชอบทําเพื่ออาลามกีวันใกล้บ้านจาตุมารูป มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมาคาม ข้าแต่ 500 มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้น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 ภิกษุประมาณ 500 มาถึงจาตุรมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มี ทำประทักษิณเก็บอาสนะถือบาทและจีวรออกไปสมัยนั้นพวก ถ้าฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ ขอจงรับสั่งภิกษุสงฆ์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้ จะพึงเป็นอย่างอื่นจะพึงแปรไปหรือเปรียบเสมือนเมื่อลูกชมกับภิกษุสงฆ์ เสมือนที่พระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ เช่นเดียวกับที่เจ้าสาคยะชาวเมืองจาตุมาได้เปรียบแล้วพระว่าดูก่อนสารีบุตรว่าเรา บัดมีความผลขวายน้อยพระผู้สารีบุตรเธออย่าคิดอย่างนั้นแลพระ จะช่วยกันปกครองภิกษุสงฆ์ในบัดนี้พระเราหรือสารีบุตรหรือโมคคละนะเท่านั้นพึงปกครองภิกษุสงฆ์แล้วพระองค์ ภัยเพราะปราร้ายบุคคลในโลกนี้ก็ 4 อย่างนี้ภัยเพราะคลื่นเป็นฉันใดคํา ทรงสังคาติปาดและจีวรอย่างไรกุลบุตรผู้บวช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 ไผ่เปล่าน้ําบนเป็นไฉนหมายถึงกามคุณทั้ง 5 บรรคนลบุตรออกบวชเข้าไปบิณฑบาตทาง 5 จึงมีความ ใครจักป่าร้ายเป็นไฉนหมายถึงมาตุคามหรือหญิงนั่น บุคคลที่ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ย่อม 4 ประการนี้พระราดากล่าว คนต่อขึ้นไปหนึ่งสอนไม่ได้ขี้ พระมหาโฆฬานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากสามารถยังเวชยันปราสาทของท้าวสักกเทวราชให้หวั่นไหวได้แม้เพียงเอาหัวแม่เท้ากดลงไปเท่านั้นก็ คราวหนึ่งพวกเนรถีคือพวกนักบวชลัทธิอื่นประชุมกันปรารภกันว่าสาเหตุนี้รูปหนึ่งชื่อ เที่ยวไปในเทวโลกสนทนากับเทวดาไปในเทวโลกสนทนากับเทวดาถามถึงบุญที่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 ลาภสการะจักเสื่อมจากพระสัมมนาโคดม บัดนี้มีผู้ปองร้ายมาล้อมอยู่ที่อยู่ แต่พวกเขาไม่ได้ละความพยายามพวกเขาไม่ได้ละความพยายามพอถึงเดือนที่ 3 พระเถระผู้อุดมฤทธิ์พิจารณาเห็นว่านี่ พระมหาโมคคัลณะผู้ยังไม่สิ้นชีวิตคิดว่าเราควร บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ฆ่าพระองค์จะนิพพานฆ่าพระองค์ขอว่าโมคคละนะเธอจะไปนิพพานที่ไหนที่ตําบลกาลสิลา เราปรารถนาฟังธรรมจากเธอเธอจงก่อนเพราะต่อไปนี้เราจะไม่ได้พบเห็นสาวกเช่นเธออีกพระพุทธองค์ผู้ธรรมราชาทรง ปิติเป็นเหตุแห่งสุขสุขเป็นความปรารถนาความต้องการแล้วถวายบังคมแล้วเหาะต่างๆกล่าวธรรมเฉพาะพระแล้วทูล รู้กันทั่วไปว่ากันทั่วไปว่าพวกโจรเป็นพอเมากันคน มั่งคั่งพังพร้อมไปด้วยความชั่วสั่งสมความ โจรที่ถองหลังเขาก่อนอวดถากด่าว่า ที่ต้นได้ทำแล้วทำแล้วทุ่มเถียงกันเสียงโถมดังขึ้นดังขึ้นจารบุรุษของพระเจ้าอาชาตศัตรู รวมกับพวกโจรที่ร่วมมือกันฆ่าพระเถระเมื่อจับได้แล้ว เย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชจริงหนอพระมหาโมคคละนะบรรณภาพโดยลักษณะที่ไม่สมควรแก่ท่านเลยพระ ภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอุปการะของพระเถระ โดยที่ท่านทั้งสองจะจัดการให้เองที่ท่านทั้งสองจะจัดการให้เองแต่ หญิงนั้นบำรุงแม่ผัวอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 วันก็เอือมระอาไม่ปรารถนาเห็นท่านทั้งสองเลย ไปเรี่ยรายไว้ให้รกรุงรังอะไรกันนางนั้นบอกว่านี่แหละคือผลงานการกระทําๆฉันไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนแก่อย่างนี้อย่างนี้ดู มหาดาบิดาสงสารลูกเห็นใจลูกจึงนำหญิงสาวมาเพื่อช่วยเหลือลูก จนในที่สุดท่านทั้งสองรักเถิดยิ่ง ซึ่งแตกต่างจากท่านทั้งสองแตกต่างจากท่านทั้งสองเขาพูดกับปัญญาว่าเอา โคทั้งสองจักเดินไปเรื่อยๆพวกโจนซุ่มอยู่จริงการใช้ปะตักเพียง ขอเจ้าจงรักษาตัวของเจ้าให้พ้นภัยบุรุษนั้นทําเสียงดุจโจรมุ่งเข้ามาหาคนชราท่านผู้ ทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ขณะมารดาบิดาคล้ําควนถึงความปลอดภัยของเขาอยู่นั่นเองเขา ไปบังเกิดในนรกหมกมุ่นอยู่เป็นเวลาหลายแสนปีแต่วิบากกรรมยังไม่สิ้นเธอถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอย่างนั้นถึง 100 อัตตภาพมาแล้วภิกษุทั้งหลายโมคคละนะ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิตุสะร้ายต่อท่านผู้ไม่ปฏิตุสะร้ายย่อม 10 ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง 1 ถึง หรือผู้เป็นใหญ่หนึ่งถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยับแห่งนี้ ก็ยังเคยทํากรรมหนักเช่นอนันตริยกรรมและได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นเป็นเวลานานแต่ว่าในที่สุดท่านก็เพราะ เกิดขึ้นได้ด้วยเท่าที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น